ขึ้นเพราะเราทำผิดพูดผิดคิดผิดเราไม่ได้ดูจิตดูใจไม่ได้ดูการกระทําของเราเรานึกว่าเราทํำผูกพูดถูกคิดถูกคนอื่นคิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดมันเป็นการเข้าใจไม่ถูกไม่ตงรงนี่หรอกเข้าใจไปตามกิเลสเข้าใจไปตามความคิดเห็นตัวเอง มันเข้าข้างตัวเองมันไม่ได้ฟรีพรอนสั้นพอรอดยาวมันไม่ได้มาดูตัวชีวิตจิตใจของเราดังนั้นคนทุกคนเกิดมาต้องมีจิตมีใจไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละเพราะเราไม่เห็นความคิดความคิดมันคิดไปแล้วให้ลูกให้กายได้ทําตามความคิด ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสั้นๆเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวคำว่าใบไม้กำมือเดียวนี่ก็สั้นๆสิคนรวมลงมาที่ตรงนี้สมาธิคนรวมลงมาที่ตรงนี้ปัญญาคนรวมลงมาที่ตรงนี้แม้ให้ทานไม่พาะสวดมนต์คนรวมมาที่ตรงนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้รับผล ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้ไปสวรรค์ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้ไปนิพานไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปตกนรกไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเป็นสัตวดิลสานไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเป็นเปรตอันนั้นมันถูกน้อยเรายังไม่เห็นธรรมยังไม่รู้ธรรมยังไม่เข้าใจธรรมมันต้องตกนรกไปเดีเดียวนี้พรมทุกพรมร้อนนัน่นแหละเป็นนรกพรมไม่รู้จะ้า ย, ยนัน่นแหละเป็นสัติลสาน ทำอะไรผิดผิดทุกทุกปั้มฟั้มเปื่อเปื่อทำไม่พอเป็นกินไม่พอเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าเปรเปรมันจึงปากเล็กท้องมันใหญ่กินเท่าใดไม่พอเขาบอกเปรตเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่พูดอยนี้ตายไปก็ไปตกนรกจริงจรมันต้องตกนรกแล้วเดี๋ยวนี้มันจึงไปตกนรก หลังจากการตายแล้วโน้นไปสวรรค์ไปนิพพานก็เช่นเดียวกันลักษณะของสวรรค์ตาเห็นอันดีหูฟังอันเพาะจมูกดมอันหอมกายเรานี่เนื้อนหนังเรานี่ทุกอันนิ่มนวลทุกอันพอใจไห้บาจะไปกินอาหารมีรสทุกต้องคือมีอันทุกใจ ก็เป็นสวรร์แล้วมันในทางตรงกันข้ามไม่พอใจของเหม็นของไม่สวยได่งามเป็นนรกอีกแล้วอันนั้นก็เป็นนรกอีกแล้วเนี่ยนิพพานมันนิพพานก็หมายถึงคมเย็นเย็นอกเย็นใจใครจะพูดอย่างใดก็สบายใจเพราะดูจิตดูใจเรา คำพูดนั้นมันเป็นเพียงสมมุติว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์มันเป็นเพียงสมมุติอันนั้นก็สมมุติจริงโดยสมมุติท่านให้รู้จัว่าจริงโดยสมมุติอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีพระเจ้าพระสงฆ์มันก็มีอย่างนั้นถึงไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องมีอย่างนั้นดังนั้นจึงปฏิบัติตัวเราให้ตัวเราเป็นพระขึ้นมาได้จริง พระนั่นจึิงวาอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่นาก็ได้อยู่ที่สวนก็ได้อยู่ตลาดลาดเลขายซื้อขายของได้ทั้งนั้นพระจึงเปลวผู้ประเสริฐพระจึงเป๋วผู้สอนคนคนใดสอนคนให้ละซัวทําดีนั่นแหละคือพระคนใดจิตใจไม่งอนแง่งขอนแขงตึงอกตึงใจได้ท่านก็เรียกว่าพระ มนุษย์บัดนี้มนุษย์เรียกว่าเป็นผู้ห ข, ข้ามจิตใจได้จิตใจไม่โลเลจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจไม่คุณมัวจิตใจไม่คิดไปทางเลวร้ายท่าเรียกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้มีจิตใจสูงบัดนี้มนุษยสาเทโวมนุษยสาภูโตมนุษยสาภูโตคือผู้เป็นใหญ่ในเราผู้เป็นใหญ่ในจิต ไม่ให้จิตซายลงไปข้างต่ำเดี๋ยวเป็นคนเป็นมนุษย์สูโตวันนี้หห้ามจิตใจได้รู้เห็นจิตใจได้เดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาเขมีผมละอายในการทาการพูดการคิดทำผิดพูดผิดคิดผิดไม่ทำ อันนั้นคนโบราณท่านจึงสอนว่าทําผิดพูดผิดแล้วหวานนี้อันความผิดอันนั้นแหละเป็นครูดีกว่าครูดีกว่าอาจารย์ดีกว่าตำหลัําำลามาสอนเราครูอาจารย์สอนเรานั้นเพียงจำได้บัดนี้เราทําผิดเองพูดผิดเองคิดผิดเองทุกเกิดขึ้นมาให้เราได้รับผลของมันคือทุกเกิดขึ้น อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจเรื่องอริยสัจสี่มันเป็นอย่างนั้นบัตรนี้เมื่อทุกไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นสวรรค์มันก็เป็นนิพพานท่านจึงว่ามนุษย์สมบัติมนุษย์นี่เป็นสมบัติทุกอย่างสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติของสวรรค์เป็นสมบัติตของนิพพาน นิพานเป็นสมบัติของเราสวรรค์เป็นสมบัติของเราเมื่อเราทำใจเราได้อย่างนั้นแต่จิตใจไม่ต้องทำมันหรอกเพียงแต่เรามารู้เท่าทันเหตุการณ์บัดนี้ในทางตรงกันข้าม น, านั้นกก็เป็นสมบัติของเราสัตว์ดเดรัจฉานก็เป็นสมบัติของเราเตก็เป็นสมบัติของเราเพราะเราทำแล้วนี่อันนี้แหละคนบูรานท่านจีวั ข้อมผิดเป็นโคข้อมผิดเป็นโคท่านสอนเมื่อทำผิดแล้วอย่าพึ่งทำต่อไปแก้ได้ดังนั้นอดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปสอนไม่ให้ได้ไปแก้ท่านสอนท่านแนะนําให้แก้ปัจจุบันท่านสอนท่านแนะนําให้แก้ปัจจุบันกำนํามัาคิดวูบขึ้นมาดีใจเสียใจ แล้วก็มาจับความรู้สึกรวบมือหงายมือกามือเหยียดมือตบแขนตบขาจับตัวเรานี่แหละปิดตาหายใจเอียงไส้เอียงหัวความคิดมันก็วางจากอันนั้นเข้ามาอยู่ความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี่จึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นสิ่งที่อัศ จ, จรรย์ที่สุด คนใดยังไม่พบยังไม่เห็นยังไม่เป็นยังไม่มีก็ถือว่าเบาเล่นอย่างนี้มันไม่ได่เป็นการเบาเล่นพูดจริงจริงอันนี้พูดให้ฟังจริงจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่สอนอริยสัจสี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนา เป็นแกนพุทธศาสนาเป็นแกนพุทธศาสนาเรื่องอริยาาสัจสี่นี้ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นคําว่าอริยาาสัจสี่นี่เราพูดได้ฟุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคท่านสอนฟุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคท่านสอนอย่างนั้นแล้วก็ไป น, นั่งกรรมาฐานกันบับ น, นี้นั่งพิจารณากายในกายให้รู้จักกายในกาย กายในกายก็ให้รู้จักการเคลื่อนไหวของกายนี้เองเวทนาให้รู้จักเวทนาในเวทนาเวทนาก็หมายถึงเสวยอารมณ์หมายถึงเสวยอารมณ์คือการเคลื่อนไหวทุกสุขมันอยู่ที่ตรงนี้ท่านสอนอย่างนี้จิตตานุปัฏนาให้พิจนาจิตในจิตเนี่ท่านสอนให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ของจิตจึงพิจนาจิตได้ท่าน บัดนี้ให้พิจารณาธรรมในธรรมให้พิจานาธรรมในธรรมเนี่ยธรรมนี่คือมือแล้วนี่ทําดีทําชั่วเนี่เท้าเรานี่ก็ทําดีทําชั่วคําพูดเรานี่ก็ทําดีทําชั่วจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมามันก็คิดดีคิดชั่วพิจารณาที่ตรงนี้เองพิจารณาที่ตรงนี้เองที่ว่าพิจานาธรรมในธรรมอันนี้ท่านเดียวใส่สติปัญญาอยู่ที่ไหนก็เป็นวัด อยู่ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่กับพระพระจึงเปราผู้สอนคนตัวเรานี่แหละเป็นพระตัวเรานี่แหละเป็นบัณฑิตตัวเรานี่แหละเป็นคนทานตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปตกนรกตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปสวรรค์ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ไปนิพพานถ้าจึงสอนย้ำเข้ามาคำเกานี่แหละคาเดิมนี่แหละ มันเป็นเปลือกเป็นกะทิเป็นแก่นเป็นแกนมันลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าจนถึงที่สุดของทุกขันต้นที่สุดท่านสอนอย่างนี้ให้รู้จักทุกทุกเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรอยู่ที่ตรงไหนทุกเกิดขึ้นเพราะความคิดเหล่านี้ออกนอกตัวเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ คิดไปแล้วนอนไม่หลับเป็นบ้านี่มันคนจึงเป็นบ้ากันเป็นจนํานวนมากแต่ไม่ใช่บ้าไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าไม่รู้จักอายอันนั้นบ้า น, นั้นบ้าหมดสติหมดปัญญาหมดกําลังหมดเลียวหมดแรงอันน้นบ้าที่เราลืมโตไปนี่ทําผิดพูดผิดคิดผิดไปนี่บ้าเพราะไม่รู้จักความคิดเรานี่ นี่แหละมันก็ตัวเล็กๆขึ้นมาก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาโตขึ้นโตขึ้นก็เลยเป็นบ้าเป็นร้อยเปเ็นเนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรียนหนังสือมากๆก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกันเรียนทางธรรมมากๆก็เป็นบ anyway> ้าได้เช่นเดียวกันมีเงินหลายๆก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกันไม่มีเงินก็เป็นบ้าได้เช่นเดียวกัน บ้าอันนี้อยู่กับคนผู้คนไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นถ้าจึงสอนให้รู้จักเรื่องอริยสัจสี่นี่จริงๆไม่ยาวท่านว่าใบไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวทวให้ท า, น, า, า, ท น, านก็จะมารวมที่ตรงนี้รักษาศีลก็จะมารวมที่ตรงนี้ ทำวิปัสนาก็จะมารวมที่ตรงนี้ทำอันใดอันใดทั้งหมดเลยจะมารวมที่ตรงนี้จุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญทุกเกิดขึ้นเพราะจิตใจมันออกนอกตัวเราไปเราไม่รู้สึกตัวเราเมื่อมันคิดออกไปข้างนอกไปรับอารมณ์ข้างนอกดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจยึดถืออยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ เอาแหละนั่นแหละตัวทุกตัวสมุทยัยผลมันออกมาเนี่ยผลออกมาพอได้รับทุกถ้าจะว่าทุกทุกตัวนี้เนี่ยมันสองสับกับกันทุกสมุทยัยสมุทัยทําให้ทุกเกิดแต่ตัวนี้แหละตัวทําให้ทุกเกิดขึ้นไม่อื่นไกลเลย น, น้อยนี่บดีมากเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุก มักกอเห็นการเคลื่อนไหวของเหล่านี้เองมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็เห็นก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้จึงเป็นมักมักไปว่าดูมักไปว่าสมมักไปว่าเบื้งมักไปว่าสัมผัสมักไปว่าแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่นว่าอย่างนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติคือปฏิบัติที่ตรงนี้ ใจนะตัวนี้ปฏิบัติไม่จะเอามือปฏิบัตินะนี่ตัวใจคนนี้ปฏิบัติโตสติโตสมาธิโตปัญญาโตเห็นแจ้งโตรู้จริงจิตใจมันนึกมันคิดคนนะเป็นปฏิบัติมันเห็นมันรู้มันเข้าใจคนนะกเป็นตัวปฏิบัตินะจึงว่ามากจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนดับทุกข์เมื่อเราเห็นเราลูเราสัมผัสจิตใจมันนึกมันคิดแนบแนบ่แนอยู่ที่ตรงนี้ มันก็เลยไม่หลงโตไม่ลืมโตไม่หลงกิตไม่ลืมกิดมันก็เป็นย่อยในโตได้เป็นย่อยในจิตได้มันก็บังคับโตได้มันก็บังคับกิดได้นี่ขั้นต้นโต้นที่สุดทุกข์ก็เลยไม่เกิดขึ้นก็นเลยเปลนนิโรธพ้นไปจากความยึดมั่นถือมัน่นพ้นไปจากโทสะโมหะโลภะที่มันจะเกิดขึ้นโดยสภาพปัจจุบัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแล้วสอนแต่เรื่องปัจจุบันเท่านั้นอันนี้แหละเป็นการพัฒนาเป็นการวิวัฒนาเป็นการยกหูสูหาเป็นการทำดีให้ตัวเองพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทาทางจิตทางใจวะพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทำทางจิตทางใ จ, จ, ททง จ, งใจมันมีพร้อมทุกอย่างมันมีการนักษาศิล มันมีการทำกรรมฐานมันมีการให้ทานอย่างสูงสุดในคำกล่าวคำสอนทางพุทธศาสนานี้ทานทำไหมสูงทำไหมอาจจะมีความข้องใจอย่างนั้นทานหมายถึงเสียสละใครพูดใครสอนไม่ไปสนใจเลยหูได้ยินแต่มันไม่สนใจ มันฟังได้แต่มันไม่สนใจมันสนใจดูแต่เฉพาะจิตใจนี่เองคําพูดคําสอนอันนั้นจริงมันไม่เข้ามาได้อันนี้แหละเพื่นว่าจิตใจสงบจิตใจสะอาดจิตใจสว่างมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะเห็นเพราะรู้เพราะเข้าใจที่ตรงนี้เรียกว่าสะอาดสะอาดก็คือจิตใจไม่คุ้นมัวนั่นเองสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ่นั่นเอง สงุบก็หมายถึงมันไม่ไปยึดไปถือนั่นเองคือมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเท่านี้แหละเด็กก็ปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้คนกลางคนเป็นพ่อบ้านแม่เลือนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นี่แหละใบไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวแม้ที่สุดเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้ รับศีลก็ได้ไม่รับศีลก็ได้มันสมบูรณ์แบบแล้วอันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังนี่เพื่อเตือนจิตสกิจใจบุคคลผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศไม่เคยฟังธรรมไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็สำเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะมั น, นมารวมที่จุดนี้นี่เองดังนั้น การพูดการสอนนั้นจิงวรรทำของง่ายๆนี่ให้มันง่ายเข้าไปทำของมันยุ่งยากเนี่ยให้มันสบายเข้าไปทำของมืดเนี่ยให้มันเห็นแจ้งเข้าไปธรรมะนั่นคือตัวทุกคนถ้าเราไปโกรธคนไปด่าคนก็ไปด่าธรรมะถ้าเราไปโกรธคนด่าคนก็ไปด่าสาสนา เมื่อเราโกศาดศาสนาด่าศาสนาแล้วเราก็ไม่มีศาสนาเราก็ไม่เห็นศาสนา เ, เมื่อเราไปโกธคนด่าคนเราก็ไปด่าธรรมะไปโกดธรรมะเราก็ไม่เคารพธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเคารพพระธรรมยกมือไหว้ตัวเองให้ได้ยกมือไหว้ตัวเองให้ได้กราบตัวเองให้ได้ ยกมือไหว้ตัวเองทําไมยกมือไหว้ตัวเองถ้าคนอื่นยกมือไหว้เราเรายกมือไหว้ตัวเองไม่ใช่ยกมือไหว้คนนั้นนะเห็นว่าเราทําดีพูดดียกมือไหว้ตัวเองได้ก็ไปการยกมือไหว้คนอื่นพร้อมพรอมกันไปท่านว่าอยางนั้นดังนั้นมีตาทิพย์มีหูทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ ไปเห็นโน้นไกลๆพูดอันนั้นมันตาทิพย์ของบุคคลผู้ที่รู้อย่างนั้นหูทิพย์นั่งอยู่ที่นี่ฟังคนพูดไกลๆ ไ, ได้ยินอันนั้นมันหูทิพย์บุคคลผู้เส้นนั้นภาพพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นตัวเรานี่แหละจอยเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมสัมผัสกับธรรมอยู่กับธรรมนอนกับธรรมไปไหนมาไหนไปกับธรรมะอยู่กับธรรมะ ไม่ปล่อยปะละเลยธรรมะออกไปที่ไหนเลยอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมที่จะเอาไปใส่กับชีวิตของเราเข้าวัดก็ได้ไม่เข้าวัดก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้เป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการสมมาาตัวเองเป็นการสังขารณาตัวเองให้รู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ เห็นจิตเห็นใจตัวเองร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยเป็นถ้าตายแล้วแต่จิตใจนั้นตายไปแล้วเขายังเอาเรื่องมาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยมันตายไม่เป็นความดีความซวมันมีประจําอยู่ในโลกนี้ถ้าคนดีนะเยผู้คนนั้นดีคนนั้นะพูดดีคนนั้นมีธรรมะตายไม่เป็นความจริงนั้นจริงตายไม่เป็น ความจริงนั้นจริงตายไม่เป็นความชั่วก็ตายไม่เป็นความจริงก็ตายไม่เป็นเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามดังนั้นจึงว่าอยากให้ทุกคนได้ประพฤตปฏิบัติตัวเองอย่าให้มันเป็นบ้ามีเงินมากๆก็ทุกไม่มีเงินกระทุกมีเงินมากๆก็ไม่ทุก ไม่มีเงินก็ไม่ทุกถ้ารู้ทำเห็นทำเข้าใจแล้วมีคนรู้มากๆกก็ทุกเรียนหนังสือมากมากก็ทุกถ้าไม่รู้ไม่เห็นบันนี้เรียนหนังสือมากๆมีคมรู้มากมากก็ไม่ทุกเรียนทางโลกจนจบปริญญายเอกนอนไม่หลับเป็นบ้าไปเอายามากินยาลัางอปัสสะแน่ทุกไหมอันนั้นแหละทุกที่ว่าไม่รู้จักสมุททย ไม่รู้จักคิดตัวเอง